นอกจากพระสารีบุตรจะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้ชัดแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจารรพให้รื่นเริงไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมท่านได้อนุเคราะห์เพื่อนพรมจาลีทั้งหลายถ้าพระองค์ทั้งหลายมาตามึกถึงโอชะแห่งธรรมธรรมสมบัติที่พระสารีบุตรได้แสดงได้อนุเคราะห์ด้วยธรรมเหล่านั้น ก็เลยเกิดความรู้สึกงอมงมไปพระเจ้าค่ะในลำดับต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ข้อนั้นเราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าจะต้องมีความเป็นไปต่างๆด้วยความพัดพลาคความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายไปเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานนนเปรียบเหมือนแม้ต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ รัต้นใดซึ่งใหญ่กว่ารัมต้นนั้นพึงทำลายลงเพราะความนี้แม้ฉันใดเมื่อภิกษุสง์มู่ใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรปรนนิพพานแล้วฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดา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 มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งหรือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่พวกพิกษุเหล่านี้นั้นเป็นผู้ใครต่อการศึกษาจะเป็นผู้เลิศดังนี้ก็ในจุนทะสูตรที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอ น, น์นี้ มีเนื้อความที่ควรจะอธิบายเพิ่มเติมอยู่หลายบทด้วยกันในที่นี้ผู้บรรยายจะขอยกพุทธวจน ะ, ะเหล่านั้นขึ้นมาอธิบายในบางบทอย่างเช่นในประโยคที่พระพุมิภาพภาคได้ตรัสกับพระอนุนว่าอัตตตีปาวิหรัะอัตตสารณา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 เป็นที่พึ่งอยู่เถิดดังนี้ซึ่งเกี่ยวกับพุทธวจนะในบทนี้นั้นผู้บรรยายขอยกเอาคำอธิบายที่ปรากฏอยู่ในคำพีสุมังคระวิราสินีอัตถกถาแห่งทีขนิกายปาติกวัตในจักกวัตติสุดซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันนะครับโดยพระอัตถกะถาาจารย์ได้อธิบายว่า ในบทว่าอัตตีปาซึ่งแปลว่ามีตนเป็นเกาะนั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ได้แสดงว่าพวกเธอจงทาตนให้เป็นเกาะเป็นที่ต้านทานเป็นที่กำบังเป็นคติเป็นที่เป็นไปเบื้องหน้าเป็นที่พึ่งอยู่เถิดส่วนคำว่าอัตตะสารณาแปลว่ามีตนเป็นที่พึ่ง ซึ่งคําว่าอัตตะสารณาซึ่งแปลว่ามีตนเป็นที่พึ่งนี้ก็เป็นไวยพจน์เป็นคําพูดของคําว่าอัตตะทีปาที่แปลว่ามีตนเป็นเกาะ น, นั่นเองส่วนคําว่าอนัญญะสารณาที่แปลว่าอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนั้นเป็นคําปฏิเสธที่พึ่งอย่างอื่นนั่นเองแท้จริงแล้ว ค น, นน ค, นนคนอื่นจะเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นหาได้ไหมเพราะคนอื่นจะบริสุทธิ์ด้วยความพยายามของคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาที่ตนเองจะบริสุทธิ์ตนเองก็ต้องอาศัยความพยายามของตนเองนั้นนั่นแหละเข้าถึงความบริสุทธิ์เองตนเองจะบริสุทธิ์โดยอาศัยความพยายามของผู้อื่นก็ไม่ได้ ติดจะเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยอาศัยความพยายามของอาจารย์ก็ไม่ได้อาจารย์จะเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยอาศัยความพยายามของติ์ก็ไม่ได้สมจริงดังคําที่พระพุทธพระพาคได้ตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นขายเร่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธพระพาคษถึงตรัสในบทนี้ว่าอนัญญสาราณา ที่แปลว่าอย่าพึงมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยถ้าจะถามต่อไปว่าในคำว่าอัตตาทีปาที่แปลว่าจงมีตนเป็นเกาะนี้อะไรเล่าที่ชื่อว่าตนในบทนี้หรือถ้าจะถามว่าที่พระพูมีพระภาคตรัสว่าตนเองให้พึ่งตนเองนั้นคำว่าตนในที่นี้หมายความว่าอย่างไร พระอัตกถาาจารย์ได้ขยายความอธิบายไ้ว่าคำว่าตนในที่นี้หมายถึงโลกียะกุศลและโลกุตระกุศลนั่นเองหมายความว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้นั้นก็คือโลกิยะกุศลและโลกุตรรกุศลนั่นเองโดยเหตุนี้พระพุทธพระภาคจึงตรัสไว้ว่าธรรมปีปาธรรมสารนา อ น, นัญญาสารนาถึงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นเกาะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งดังนี้คำว่ามีตนเป็นเกาะก็คือมีโรกิยะคุศลและโลกุตระคุศลนั่นเองเป็นเกาะเป็นที่พึ่งส่วนในบทว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนั้นก็โดยพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาโทมนต์ในโรคเสียได้นั้นผู้บรรยายขอยกไปอธิบายในเรื่องของสติปัฏฐานสูตรที่จะได้บรรยายในคราวโอกาสต่ตอไปนะครับขออนุญาตที่จะกลับมาอย่างเรื่องการปรินิพพานของภาษาดิบุตรต่อนะครับ ก็เมื่อพระบรมศาสดาได้แสดงธรรมแก่พระอนุ์และพระจุนทะแลว้วพระองค์ก็ได้เหยียดพระหัตทรับเอาภาพครองน้ำที่ห่อพระธาตุของพระสารีบุตรวางไว้บนฝ่าพระหัตต์แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นใดวันก่อนทำปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่าง ขออนุญาตกรินนิพพานบัดนี้ท่าทั้งหลายเปรียบด้วยสีสัมเหล่านี้ของเธอปรากฏอยู่ภิกษุทั้งหลายก็พิกษุรูปนี้ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาหนึ่งอสงไขยกับแสนกับเธอได้ทำธรรมจักถือาศาสนาของเราให้เป็นไปแลว้วเธอนับว่าเป็นผู้สอนองค์ที่สอง ที่ต่อจากเราเป็นผู้ทำให้สาวกสันนิบาทครบองค์เป็นอักขระสาวกภิกษุผู้นี้หากเว้นเราเสียแลว้วจะหาบุคคลใดผู้เสมอเหมือนด้วยปัญญาในหมื่นจั ก, กรวานนั้นไม่ได้เลยเพราะเธอเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาหนานแน่นมีปัญญาสามารถที่จะกราวให้บันเทิงได้ มีปัญญาเล่นไปโดยเร็วมีปัญญากล้ามีปัญญาในการแทงกระดดพิษุรูปนี้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษมีความสงัดไม่คุกครีกับหมู่คณะเป็นผู้ปาราความเทียนเป็นผู้ตักเตือนติเตียนความชั่ว เธอผู้มหาสมบัติที่ได้แล้วโดยเฉพาะบวชแล้วห้าร้อยชาติมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในศาสนาของเราเฉดเช่นกับโคอุสภะที่มีเขาขาดมีจิตอ่อนโยนเช่นบุตรคลจันทานพิสุทั้งหลายพวกเธอจงดูธาตุของผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้าง มีปัญญาเล่นไปเร็วมีปัญญากราบแข็งมีปัญญาแห่งผู้ควรแพงตลอดผู้มีความปรารถนาน้อยมีความสันโดษสงัดไม่คุกครีเป็นผู้ปรกความเพียนเป็นผู้ตักเตือนและตีเตียนความชั่วนี่เป็นพุทธวจนะที่พระภูมิพภาคได้ตรัสกับเราภิสุนะครับ ก็ในเนื้อความเหล่านั้นที่พระภู้มีพภาคได้ตรัสว่าภาษาริบุตรมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในศาสนาของเราแท้จริงแล้วแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความอดทนมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเทของสกปรกทิ้งของสะอาดทิ้งของที่หนักหรือเบาลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็จะไม่หวั่นไหว ไม่เคยโต้อตอบพระสารีบุตรก็มีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินอย่างนั้นส่วนที่บอกว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกับโคอุสภะที่มีเขาขาดถือโคย่อมมีความสง่าที่เขาแต่เมื่อปราศจากเขาแล้วโคนั้นก็ย่อมละความมานะละความปวดดีเสียได้ พระสาดิบุตรแต่ละความมานะและความอวดดีมีความอ่อนน้อมผอมตนเฉกเช่นโคอุสภะที่มีเขาขาดหรือมีจิตอ่อนน้อมเหมือนกับปุตของคนจันทานโดยปกติคนจันทานนั้นเป็นคนวรรณะต่ำที่สุดในบรรดาวั น, นะทั้งหลายในประเทศอินเดียวรณะสูงสุดก็คือวร น, นะกษัตริ ลงลงมาก็คือวันนะพรามณ์วัรณะแพทย์และวันนะสูตรส่วนวรนณะจันทานนั้นไม่สามารถที่จะยกศรีรษะไม่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้พระาดิบุตรเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนน้อมปราศจากความมานะเ ย, ะยื่ยยิงถือตัวเชกเช่นบุตรของคนจันท์านพระพุทธองค์ก็ไดยตรัสอย่างนั้นนะครับ ต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสถึงภาษารีบุตรต่อไปว่าสารีบุตรใดและกามทั้งหลายอันเป็นที่รื่นรมแห่งใจกวดแล้วห้าร้อยชาติพวกเธอจงไหวภาษารีบุตรนั้นผู้ปราศจากราคะมีอินทร์สำมรวมดีแล้วปานิพพานแล้วสารีบุตรใดมีความอดทนเป็นกำลังเสมอด้วยแผนดิน ย่อมไม่วันไหวทั้งไม่เป็นไปในอำนาจจิตหรือไม่ถูกจิตเข้าครอบงำด้วยมีความอนุเคราะห์เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาเป็นผู้ปรินิพพานแลว้วพวกเธอจงไหวสารีบุตรนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายก็เมื่อลูกคนจันทรนเข้าไปในพระนครแลว้วมีใจเตรียมตัว ถือกระเบื้องเที่ยวไปชันใดสารีบุตรนี้ก็อยู่ฉันนั้นพวกเธอจงไหวสารีบุตรผู้ปรินิพพานแล้วนีเถิดก็โขอุสภะตัวที่มีเขาและหูขาดไปแล้วย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเที่ยวไปภายในเมืองชันใดสารีบุตรผู้นี้ก็อยู่ฉันนั้น พวกเธอจงไหวสารีบุตรผู้ปรินิพพานแล้วนี้เถิดพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญพระเถระด้วยพระคาถาห้าร้ประการอย่างนี้ก็พระภูมิพระภาพทรงสรรเสริญคุณของพระเถระด้วยประการใดๆพระเถระผู้ปรินิพพานไปแล้วก็ไม่อาจจะดำรงอยู่โดยประการนั้นๆ เพราะเหตุนั้นพระอานอนเทเสระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์ย่อมบันไห้ปานปานหนึ่งจะงอมระงมไปก็ที่พระอานอนทได้กล่าวว่ากายของข้าพระองค์ย่อมบันไห้ปานปานหนึ่งจะงอมระงมไปนั้นก็เพราะด้วยความคิดถึงด้วยความบันไห้ใจจากการจากไปของพระสารีบุตรนั่นเอง อย่าลืมนะครับว่าพระอานนท์นั้นยังเป็นพระริยาบุคคลในขั้นพระโสดาบันเท่านั้นกอความที่เป็นพระโสดาบันนั้นยังไม่สามารถทิจะละโทมนัสโทสะความเศร้าโศกเสียใจยจึงเป็นธรรมดาอยู่เองซึ่งพระอานนท์ที่มีความใกล้ชิดกับพระศาดีบุตรมากเป็นสหายกันและได้รับ การแสดงธรรมได้ฟังธรรมจากพระสาริบุตรเป็นจํานวนมากพระอานุ์จึงเกิดความบรรันไหวจากการจากไปของพระสาริบุตรนั้นพระอนุนจึงได้กล่าวกับพระผูมิพระภาคว่ากายของท่านนั้นประหนึ่งจะงอมระงมไปและเมื่อพระอานุ์เถระได้กล่าวอย่างนั้นพระบรมศา ส, าสดาทรงมีพุทธประสงค์ จะปรอบใจแก่พระอนุ์พระองค์จึงลืมพระเนตรที่วิจิตด้วยประสาททั้งห้าขึ้นทรงแลดูพระอนุ์เถระทรงถอนพระไทยด้วยหวังว่าเราจะทำให้อานา์ได้เบาใจจึงจัดเป็นคำเป็นต้นว่าอานา์สาริบุตรของเธอไปไหนหนอศสีละขันคือกองแห่งสีล ที่เป็นโลกียะโลกุตระแม้สมาธิขันปัญญาขันที่เป็นโลกียะโลกุตระแม้วิมุตติที่เป็นโลกุตระและวิมุตติญาณทัศนนะ์ปัจเจเวคขณะญาณ น, นั้นสารีบุตรได้นำไปด้วยหรือกับการที่พระผู้มีพภาคได้ตรัสอย่างนี้ ก็เพื่อที่จะปลอบใจพระอานนเทระนะั่นเองซึ่งพระอานนเทระก็ได้กล่าวตอบพระภูมิาพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภะษาดีบุตรเถระไม่ได้นำเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันบิมุติขันและบิมุติย า, านะทัศนขันปริธานไปด้วยแต่ถึงกระนั้น ท่านสาัตยบุตรเป็นผู้ที่กล่าวสอนให้รู้ชัดแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงให้เกียจขานในการแสดงธรรมในบรรดาข้อความเหล่านั้นที่บอกว่าพระสรัตยบุตรเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้ชัดแสดงให้เห็นแจ้งนั้นก็คือพระสาตยบุตร ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีปัญญามากราะฉะนั้นเวลาที่พระสารีบุตรแสดงธรรมธรรมะที่พระสารีบุตรแสดงนั้นเป็นรองเพียงแค่พระพุทธองค์เท่านั้นเองปัะจันจึงสามารถจะแสดงธรรมให้กระจางแจ้งแก่บุคคลอื่นๆทำให้บุคคลที่ฟังนั้นมีความอาจหานคือมีความอุตสาหะและเวลาที่ฟังธรรมนั้นก็มีความรื่นเริงบันเทิง ก็คือมนนรงใจในเวลาที่ฟังธรรมไม่มีความเกียจคร้านในการฟังธรรมในการแสดงธรรมเมื่อเริ่มการแสดงธรรมภาษารีบุตรก็จะเป็นผู้ที่เว้นจากการทำความย่อหย่อนไม่เคยกล่าวว่าข้าพเจ้าปวดศีรษะปวดหัวใจปวดท้องปวดหลังภาษารีบุตรเป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านเป็นผู้ที่องอาจ เล่นไปแล้วดุจราชสีตัวหนึ่งบ้างสองตัวบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพระอานนเทระได้นึกถึงพระสารีบุตรก็ น, นึกถึงธรรมโอชะคือรสแห่งธรรมธรรมโภคะก็คือธรรมที่ตนจะได้บริโภคได้รับฟังจากพระสารีบุตร เกิดความที่พระสารีบุตรได้อนุเคราะห์เพื่อนพุมธมจรรย์เป็นการอนุเคราะห์ด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์เมื่อรับทราบข่าวการจากไปของพระสารีบุตรจึงเกิดความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจพระบรมศาสดาเมื่อมีพุทธประสงค์จะปอบโยนพระอ น, นุ์อีกจึง กลัดเป็นคำเบื้องต้นว่าอาโนนข้อนี้เราได้บอกแกเธอแล้วมิใช่หรือว่าเราจะต้องมีความเป็นไปต่างๆมีความพัดพลากเป็นธรรมดามีการต้องจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปััดใจปรุงแต่งแล้ว มีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะพึงมีได้โดยถ้อยคำเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่พระบรมศาสดาตรัสเพื่อที่จะกรอบโยนพระอ น, น์นั่นเองแง่ความปรารถนาว่าขอพระสรีระของพระตถาคตเจ้าอย่าแตกดับไป ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะพึงมีได้ส่วนในบทที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนนว่าดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นใดซึ่งใหญ่กว่าลำต้นนั้นพึงทําลายลงฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์มูใหญ่ซึ่งมีแก่นดํารงอยู่สารีบุตรต้ินิพานแล้วฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระอักถาจารย์ได้อธิบายว่าพระผู้มิพภาคได้เปรียบเทียบ ว, ว่าภิกษุสงฆ์เหมือนต้นว่าใหญ่สูงร้อยยอดส่วนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเปรียบเหมือนลำต้นใหญ่ประมาณห้าสิบยดที่ตั้งอยู่เบื้องขวาแห่งต้นไม้นั้นเมื่อพระเถระปฏินิพพานแล้ว ก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นั้นหักเลว้วตัวในความที่ต้นไม้ใหญ่นั้นหักลงก็ไม่สามารถที่จะมีราต้นอื่นที่สามารถเจริญขึ้นโดยลาดับต่อจากต้นไม้ใหญ่นั้นหักลงไปแลว้วไม่สามารถเพื่อที่จะให้ที่นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลได้ตัวดในความที่เมื่อพระสารีบุตรเถระได้ปรินิพพานไปแลว้ว ย่อมไม่มีภิกษุอื่นพูดถึงที่สุดแห่งปัญญาสิบหกอย่างเชกเช่นเดียวกับภาษาริบุตรจึงไม่มีภิกษุผู้สามารถที่จะนั่งบนอาสนะเบื้องขวาต่อจากพระพุทธองค์ในตำดับแห่งภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ในทิศนั้นได้หักโค่นลงไปแล้ว นี้เป็นข้อประมาณที่พระพุทธองค์ได้อุปมาให้พระอนุเทระได้รับฟังนะครับว่าภิกษุสง์เนี่ยเปรียบเหมือนกับหมู่ไม้ใหญ่ก็ในหมู่ไม้ใหญ่เหล่านั้นพระสารีบุตรถือว่าเป็นไม้ใหญ่ที่สุดก็เมื่อไม้ใหญ่ที่สุดหักโค่นลงไปแลว้วกลุ่มไม้ที่ใหญ่นั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะเต็มไปด้วยดอกเต็มไปด้วยผลได้ ก็เหมือนกับพระสารีบุตรซึ่งปกติจะนั่งบนอาสนะเบื้องขวาของพระพุทธองค์เมื่อปราศจากพระสารีบุตรแลว้วก็ไม่มีภิกษุรูปใดที่สามารถจะนั่งบนอาสนะเบื้องขวาในลำดับแห่งพระพุทธองค์แทนพระสารีบุตรนั้นได้เป็นอย่างนี้นะครับก็พระสารีบุตรเทระนั้น ได้ปรินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคประมาณหกเดือนถือท่านได้ปฏินิพพานในวันเพ็ญเดือนสิบสองเดือาใกล้รุ่งที่บ้านของตนเองเรื่องราวที่เป็นการสร้างบา ร, รมีของพระาริบุตรในอดิตนั้นก็คือว่าในที่สุดแห่งอสงไขยกับยิ่งด้วยแสนกับนักแต่กับนี้ท่านภาษาดิบุตรบังเกิดในครอบครัวพราหมณ์มหาศาล ที่ชื่อว่าสาระสระาระธรรนบนั้นเป็นเพื่อนเล่นกับพระโมกรารโดยพระโมคครารนะได้เกิดในครอบครัวขหาบดีมหาศาลเช่นเดียวกันโดยมีชื่อว่าสิริวัตตะกระดุมพีทั้งสองคนเป็นเพื่อนเล่นปูนมาด้วยกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว สารธรรมมนุษย์คือภาษาริบุตรนั้นก็ได้ทรัพย์เป็นอันมากซึ่งเป็นสมบัติของสกุลวันหนึ่งอยู่ในที่รับและคิดว่าเราไม่รู้อัตภาพในโลกนี้ไม่รู้อัตภาพในโลกอื่นขึ้นชื่อว่าความตายย่อมเป็นของที่แน่นอนสำหรับเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วควรที่เราจะถือบวชสักอย่างหนึ่งแสวงหาโมฆะธรรม สราระธรรมนพนั้นได้ไปหาสหายแล้วกล่าวว่าสิริวัตตะเพื่อนรักเราจะบวชแสวงหาโมกะธรรมขอท่านจนบวชพร้อมกับเราได้ไหมสิริวัตตะกรุมผีตอบว่าไม่ได้ดอกเพื่อนเจ้าบวชคนเดียวเถิดสราระธรรนพนั้นคิดว่าโดยปกติเมื่อคนไปสู่ปรโรค จะพาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยนั้นหามีไม่กรรมที่ตนทำก็เป็นของตนผู้เดียวเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วจึงสั่งให้เปิดเรือนครังรัตนะให้มหาทานแก่คนกัมราคนเดินทางไกลพะนิพกและยาจกทั้งหลายแล้วจึงได้บวชเต็นอรษสีในเวลานั้นมีคนบวชตามสารธมานุ หนึ่งคนบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างจนกลายเป็นฉดินจำนวนประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันรูปสรร ะ, ะนั้นในขณะที่บวชอยู่ได้ทําอภิน ญ, ญาง่าสมาบัดแตกให้บังเกิดขึ้นแล้วได้สอนกสินบริกรรมแก่ฉดินเหล่านั้นฉดินเหล่านั้นก็ทําอภิญญาง่าสมาบัดแตกให้บังเกิดขึ้นได้ทุกรูป ในสมัยนั้นนั่นแลพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าอะโนมทัศสีทรงอุบัติขึ้นในโลกมีพระนครชื่อว่าจันเทวดีมีพระพุทธบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่ายะสะวันตะมีพระพุทธมารดาเป็นพระเทวีที่มีนามว่ายโสธรา ต้นไม้อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอนมาุมัตสีพระเจ้านั้นมีชื่อว่าอัจฉุนพลึกหรือต้นกลุ่มพระอัครสาวกาทั้งสองชื่อว่าพระนิสภะเทระและพระอนมเทระพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระวิรุณนาเทระพระอัครสาวิกาทั้งสองชื่อว่าสุนทราและสุมนา ก็พระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอนมุมัติทศีพุทธเจ้านั้นทรงมีพระชนมายุถึงหนึ่งแสพรรษาพระวรากายสูงห้สิบแดศอกรัศมีที่แผ่ออกจากพระวรากายนั้นแผ่ออกไปถึงส2บสองยมีภิกษุเป็นบริวารหนึ่งแสรูปต่อมาวันหนึ่งพระอนมะุมัติทศีพุทธเจ้าสเสด็จออกจากพระมหาการุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงเห็นสรธดาบทและทรงดำริว่า